การทำบุญการให้ทานการเจริญรนนักษาศีลเจริญสติจเจริญสมาธิเราต้องมีเพียบพร้อมทำความเข้าใจัพืจะตื่นขึ้นมาแล้วก็สร้างอานิสงส์สร้างบ ร, รมรให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของตัวเราทุกเรื่องที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราต้องทำความเข้าใจกันหมดไม่ใช่ปล่อยปะละเลย ถึงจะ ต, ตื่นขึ้นมาเรามีความเจลียดคร้านเราก็ละความเจลียดคร้านเรามีความตเ น, นี่ยเน้นเราก็ละความตเ น, นี่ยเน้นเรามีความโลภความโกรธเราก็รู้จักละความโลภความโกรธเรามีความเชื่อระเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์หรือไม่เราก็ต้องพิจารณาดูจิตใจของเรา เป็นกุศลหรือ ว, ว่าอกุศลจิตใจของเราสงบหรือไม่เราก็ต้องรู้จักแก้ไขตัวเราเองการเจริญสติการสร้างความวิรึกรู้ตัวเราก็ต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเอาไปทําความเข้าใจไม่ ใ, ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยเรามีโอกาสมีโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นว่าเป็นบุญเป็นอ น, นิสงส์ใหญ่ ทุกเวลาทุกวันทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามีประโยชน์มากเราจะปล่อยโอกาสจิ้งทั้งสมมุติภายนอกความเป็นอยู่เราก็บริหารแก้ไขให้ดีทำให้ดีทางด้านจิตใจเราก็พยายามชำระสสารกิ่เละเราจะกิจใจของเรามีให้เป็นทำให้เป็นเอาให้เป็นปล่อยวางให้ถูกจุดข้างนอกเราโก ทำหน้าที่เห้ดีภายในใจของเราก็มีหน้าที่รับรู้ไม่ให้จิตของเราเข้าไปยึดยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแต่เวลานี้จิตของเราอย่างเข้าไปยึดเข้าไปหลงอยู่เรต้องคลายความหลงบางคนบางท่านก็อาจจะว่าไม่หลงแต่ก็หลงอยู่ในตัวไม่หลงอาจจะไม่หลงอยู่ในระดับหนึ่งระดับของสมมตุติไม่หลงในวัตถุเข้าคลองต่างๆแต่ภายในคือหลงความคิด ยูหลงขันท่าอยู่เราต้องข่ายต้องแยกแยกขันท่าออกมันสังเกตจนกว่าจะแยกได้แยกกรุบแยกน้ำได้จึงจะข่ายความหลงได้ต่างขี่ด้วยขี่ก็ไหลโอนไหลโอนกันยันมันเปียนกันปักไฝในบนุญในกุศลกันต่างโลกก็เราเรียนการศึกษาก็เราเรียนมาทีนี้ก็มาศึกษาเรื่องธรรมเรื่องจิต กายกับจิตโลกกับธรรมก็อยู่ร่วมกันเราต้องมาศึกษาค้นคว้ามาสร้างมาทำให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราสติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาจิจของเรามีกิเลสเราก็ละกิเลสอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าคนเรารู้จักแก้ไขประพงตัวเราเองมีความเจรสละมีสัจจะกับตัวเราเองอยู่หลายองค์หลายคนหลายท่านก็ รักกัดเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อนเกิดแจ็เจ็บตายด้วยกัดมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเห็นเจ็ดตัวคนเราที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละแม้กระทั่งกิเลสความอยากเล็กๆ น, น้อยๆความอยากความยินดียินร้ายเสียสละายนอกคือวัตถุสิ่งของต่างๆ ถ้าคนเราไม่มีความเอสละไม่มีการให้ไม่มีการเอาออกมันก็ยากที่จะคลายทางด้านภายในได้านก็ออกจากภายนอกตั้งแต่ทานนั่นแหละเป็นต้นนั่งแต่ทานทานวัตถุทานก็ออกมาจากใจใจของเรามีความเอสละอยากจะให้เมื่จะเอาออกก็คลายออกคลายออกสำ r อกกิเลสออก ออกที่นั่นที่นี่กิเลสก็จะค่อยเกิดแห่งไปเราแล้ลึกนึกถึงพุฐานของเราเมื่อไหร่จิตใจของเราก็สบายมีความอิ่มมีความปิติมีความสุขถ้สูงขึ้นไปก็รู้จักการเจริญสติก็ไปทําความเข้าใจว่าการเกิดกันหนักของจิตเป็นอย่างไรจิตที่สงบจากการเกิดสงบจากกิเลสสงบจากความยึดมัน่นคือมั่นเป็นอย่างไรการคลายการแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไร อันนี้แนวทางหนทางก็มีอยู่พวกเราจะเดินกันหรือไม่เท่านั้นเองสถานที่รูว่าอาจารย์ตํารามีกันเยอะแต่การเริ่มลงมือกระทาการปฏิบัติการขัดเกลาตัวเราเองตรงนี้แหละไม่ค่อยจะทำให้ต่อเนื่องที่ว่าต่อเนื่องหมายถึงการเจริญสติให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำความเข้าใจให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วย ทางทดิจิตของเราก็เป็นบน ท, ทั้งที่จิตของเราก็สงบยุ่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติจิตของเราก็จะคิดจงออกไปภายนอกอยู่อย่างนั้นแหละบางทีเขาก็ไม่มีกิเลยไม่มีความโลภความโกรธความอยากเขาไปเกี่ยวพนก็เปรียบ ก, ก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีคนขับเดี๋ยวก็ลอยไปชนอันน้บ้าไปชนอันนี้บ้างเราต้องมาสร้างผู้ขับหรือว่ามาเจริญสติ เพียงแค่การสร้างควา ม, มาระลึกรู้ตัวแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องในการรู้ลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็ทุปลายจะมุกงของเราให้เกิดความเคยชินพวกตรงนี้พวกเรายังทําไม่เคยชินเลยยังทําไม่ต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหรือว่าไม่ในน้อ ม, มระลึกรู้เลยเสียเวลาผ่านไปตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็รวมชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละ เราขาดสติไปเสียแล้วถ้าเราสร้างความระลึกรู้ตัวก็กรู้จิตจะทําอะไรก็จิตปกติรับรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจทําอย่างไรถึงจะให้ได้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้ตัวถ้าเราพลั้งเผลอเราก็กระตุ้นขึ้นมาใหม่พลั้งเผลอเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ความพยายามตรงนี้แหละเราต้องทาให้เกิดความเคยชินจนความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจอยู่กับความปกติ จิตจะคิดส่งออกไปภายนอกก็รู้เท่าทันปุ๊บความคิดจะพูดขึ้นมาพงแต่งกินปั๊บก็รู้อาการขมันขาเกิดปุ๊บจิตจะเคลื่อนเข้าไปรวมก็รู้เท่าทันป๊บรู้เท่าทันจิตก็จะดีก็จะหายก็หรือซึ่งเรียกว่าแยกรูเบียนนาถ้าใครแยกได้เขาจะฟังสนุกแล้วก็ตามดูสนุกถ้ายัางแยกไม่ได้ก็ฟังอาจจะไม่เข้าใจเท่าไรเราต้องพยายามสร้ารู้ไม่ทันเราควรจะรับ ส่วนอาเนสง่งส่วนอื่นบรมีส่วนอื่นทุกคนฝากใฝ่มีศรัทธากันเต็มเตี่ยมมีศรัทธามีความเชศละถ้าไม่มีความเชศละก็คงจะวางภาระหน้าที่กันงานเข้ามาวัดไม่ได้ลกมีความเชศละการวางเวลาวางภาระหน้าที่กันงานในวันสองวันก็เพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องกายจิตคุณตุรส์เรามาถึงวัดเราก็พยายามเขาให้ถึงวัดจริงๆมันสำรวจพัวเราจริงๆส่วนมากเราก็รู้อยู่ว่าเราคิ เราก็รู้อยู่ว่าเราทำอันนั้นพอกเกิดไปแล้วเขาหลงเขารวมกันไปแล้วเราต้องรู้เราก็ทําตามความรู้ตรงนั้นนั่นแนหะเราทําด้วยความหลงอยู่แต่เป็นความหลงในระดับของละเอียดคือหลงในระดับพวงหนามาทําแต่ภายนอกเราอาจจะว่าเราไม่หลงทั้งที่บางทีเราก็สร้างบุญ น, นั่นแหละจะต้องพยายามกันพินิษฐพิจารณากันการของเราทำหน้าที่อย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรักถินเสียง ตาเขาก็ทําหน้าที่ดูเขาก็ทำหน้าที่ฟังเราต้องจําแนกแจกแจงออกให้ชัดเจนสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรพอศาสตรธรรมะอย่างเช่เราหมั่นวิเคราะห์ดูอยู่บปอยๆเราก็จะเห็นส่วนนั้นทำหน้าที่อย่างนี้ส่วนนี้ทำหน้าที่อย่างนั้นซึ่งพระพุทธองค์ท่านบอกว่าขันของไขขันของมันหรือว่ากองของไขกองของมันแต่เขาก็รวมกันอยู่ คือมีหนังห่อห่มเป็นร่างกายของเราอยู่มี่วนรูปมาทำคือร่างกายของเราส่วนนา ม, มาทำคืออาการของกิดอาการของขันห้าซึ่งเราต้องไปคลายไปแยกซึ่งเป็นชวนนา ม, มาทำอีกแล้วก็ขณะที่เราแยกได้ส ต, ติเราก็ต้องตามทําความเข้าใจด้วยว่าเรื่องอะไรอีกเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเป็นอดีตหรือว่าอนาคตที่มันเข้ามาพุงแต่งกิดถ้าเป็นเรื่องอดีตก็เป็นของของสัญญา หนึ่ถ้าจิตของเราก็ไปยินดีไปเสวยบางทีก็ทุกทุกขวเวทนาบ้างทุกขวเวทนาบ้างเราต้องให้รู้ให้เห็นให้ในลายละเอยียดต่างๆถ้าเราเข้าใจแล้วอยู่ที่ไหนก็จะเป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมทํากับข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมทากับข้าวไปด้วยจิตก็รับรู้ไปด้วยมีนิวรณ์ไหมจิตกังวลไหมจิตผงซ่านไหมจิตได้พักผ่อนไหมจะรับประทานอาหารเราก็ได้ปฏิบัติธรรม เราก็ดูว่ากายของเราหิวรู้ว่วาจิตของเราเกิดความอยากเข้าไปปรุงแต่งร่วมไหมยิ่งฝึกใหม่ๆหม่กายก็หิวจิตจะปรุงแต่งความอยากให้เร็วได้ไวอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาในน้อยก็กลัวไม่อิม่มมันเอกเอาเยอะเยอะเอาเยอะเยอะมันหวานนั่นกิเลสมันซักสารพััดเรื่องกิเลสก็ไม่ยอมแพ้ง่าย ถ้าเราจะลงมือปฏิบัติฝึกหัดยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจทําความเข้าใจรู้ความจริงแล้วค่อยละมันค่อยดับจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายเองนั่นแหละเบื่อหน่ายในความเกิดความดับเบื่อหน่ายในสังสารวัฏถ้าเขาเห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เขาก็จะไม่เกิดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของสิเลสเขาว่ามเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเขาไปร่วม ่เราจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาลุวนๆพระเราก็เหมือนกันขยันมั่นเพียรทำความเข้าใจทั้งสมมติสมมติเราก็มีความเชี่ะวมันช่วยเหลือถึงกันและกันที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนเราก็ต้องทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกภายในแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยในเชว่าไม่เอาอะไรไม่ทาอะไร เราต้องรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบมีความเสี่ยสละอย่าเห็นเกียรติตัวทุกเรื่องเราบวชเข้ามาเพื่อที่จะมาศึกสาตัวเรามาแก้ไขประปรุตัวเราตรงไหนไม่ดีเราก็รีบแก้ไขเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยความสะดวกให้สถานที่ก็เป็นสปายะก่อนที่จะเป็นสถานที่สปายะก็ต้องลำบากมาก่อนคนดุนคนก่อนเรช่วยเหลือกันมาตกทอดกันมา รุ่นแล้วรุ่นเล่าป่าไมา้ก็ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาตั้งแต่สมัยก่อนไม่เป็นสภาพเป็น ม, มีโรคไอรไปใครมาไม่อยากจะเดินเข้าป่าช้านักกลัวมีแต่ลุมศพฝังศพเผาศพเต็มเกลื่อนไปหมดตั้งแต่ปากคาง น, นั่นแหละมีตั้งแต่ป่ารกป่านาป่าให้อาศัยร่มเงาไม่ได้ป่ายากขาเดินในแถบไม่ทะลุมตีตั้งแต่ต้นเพกเต็มไปหมด ให้ร่มเงาไม่ได้ทั้งจุดป่ากันเขาป่ากันกว่าจะได้มาอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้ก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความอดกัน้นอาศัยากาศอาศัยเวลาอาศัยความเพียรทำอันนตบ้างทำอันนี้บ้างปลูกต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะได้ขึ้นมาให้ร่มเงาได้ต้องไปเข็นน้ำโน่น ท, ที่บ่อโรงเรียนมารดั้งกัางวันทั้งคืนน้าดื่มน้าใช้ก็กางทุ่งนาน ทุกวันนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะความร่วมมือของทุกคนจากเล็กๆน้อยๆมาช่วยกัน ừ, ทีละเล็กทีละน้อยปีนั้นบ้างปีนี้บ้างค่อยสร้างสะสมมาคนมาทีหลังก็มาสร้างมาสานตกเมื่อพวกเราไปแล้วคนรุ่นหลังเขาก็มาสานตกก็จะมีตั้งแต่ความสงบความร่มรื่นร่มเย็นนี่แหละท่านถึงบอกว่าไปที่ไหนก็ให้ช่วยกันให้รู้จักทำอย่าไปคิดว่าไม่ใช่คงรา ไม่ใช่นาทีของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนยัดโยมก็เหมือนกันเข้ามาวัดอะไรเราพอที่จะช่วยกันได้เราก็ช่วยช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งของระเกะระกะเก็บให้เป็นที่เป็นทางพวกสาตว์พวกเชือพวกหมอนก็เหมือนกันเอาไปใช้แล้วก็เก็บให้เขาที่เขาทางไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วก็ทิ้งไ้ทั่วเดี๋ยวก็พวก็กินทิ้งของระเกะระกะก็ดูไม่เป็นระเบียบ เราต้องฝึกขัดขัดก่อนตัวเราเองถึงจะเป็นมุคคลที่ได้เข้าวัดอยู่บ้านเราก็ทำให้ดีทำบ้านให้เป็นวัดมาวัดเราก็เข้าถึงวัดนั่นแหละอยู่บ้านก็เย็นอยู่วัดก็เย็นไม่ใช่ว่าอยู่บ้านร้อนก็มาวัดเลาเย็นมันไม่อยู่บ้านเย็นก็มาวัดก็เย็นถ้าอยู่บ้านร้อนก็มาวัดแล้วก็กลับไปบ้านมือจะร้อนเหมือนเดิมเราต้องพยายามให้เย็นในทุกที่ รู้จักแกให้ปรับปรุงตัวเราห้องช่วงห้องน้ําก็เหมือนกันเราพยายามช่วยกันดูตรงไหนไม่มีน้ําก็เปิดใส่เปิดใส่ให้มันเต็มห้องในสกปรกเราก็ช่วยกันเราก็ได้อนุเคราะห์ให้ซึ่งกันและกันถ้าเราไม่มีความเฉสละไม่มีความอนุเคราะห์ก็คงจะอนุเคราะห์ให้กับส่วนรวมไม่ได้ก็คงจะไปเฉพาะห้องเดียวคนเดีย ว, น, ยวนี่แหละทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างตรงครัวก็เหมือนกันต้องขอ ข, ขอขอบคุณ ขอบใจทุกคนนั่นแหละไม่ว่าพระว่าโยมวชีที่ได้ช่วยเหลือกันกว่าจะได้เป็นที่พักพนนารื่นรมขึ้นมาได้ต่อไปข้างหน้าคงจะน่ารื่นรมมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าเราก็ได้ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะเอาไว้เต็มที่พักที่อาศัยเราก็ได้สร้างขึ้นมาตามสภาวะตามกําลังของเราก็าจะได้ให้ทั้งพระสงฆ์องคาา์เจ้าทั้งญาติโยมทั้งทีได้พักกันตามอัตยาสัยเรารู้จัก ทำให้เกิดประโยชน์มองซ้ายมองขวามองบนมองล่างจริงไม้แต่และจริงมันจะหักลงมาหรือไม่ข้างบนข้างล่างไม่ใช่ว่าอยู่ที่พักที่อาศัยแล้วริมหน้าต่างก็มีตั้งแต่เศษกระดาษเศษขยะไม่ใช่เราต้องพยายามช่วยกันดูแลที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนโรงครัวต้องเก็บให้เรียบร้อยนี่แหละเราจะปฏิบัติอะไรเราก็ปฏิบัติ ด, ดูของสิ่งพวกนี้เลย พวกิ จ, จวัรประจำวันของคุณเราก็มีการกินอยู่ขับถ่ายยู่เกี่ยวก็ไปปัจใจสิกเราก็ต้องศึกษาไม่ใช่วจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมหลับตายอย่างเดียวั้งเป็นการปฏิบัติทำอะไรไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องให้เป็นหมดให้เป็นหมดทำกับโลกก็อยู่ด้วยกันโลกก็ทำก็อยู่ด้วยกันสมมุติกับวิมุติก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนถึงจะมีความจุขต้องเป็นบุคคลที่เต็มร้ และให้เราทํากันเพลคขณะที่เรายังมีกําลังกายกันอยู่กําลังกายที่แข็งแรงอยู่ถ้าเรากำลังกายหมดสภาพเราก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เวลานี้สภาพร่างกายของหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันก็คงจะใกล้จะหมดสภาพแล้วแหละแต่ว่าทําภาระหน้าที่แบกรับภาระหน้าที่มามากมาหนะักทั้งฝ่ายในวัดทั้งนอกวัดทั้งฝ่ายในก็ให้ทุกคนช่วยๆกันหลวงพ่อก็ทําไว้ให้หมดกันแหละ ทำเพื่ อ, อนุเคราะห์ให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขกันไม่ให้ลำบัดพวกเราก็ฝ่ากันฝึกหัดปฏิบัติมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเ่จะได้เกิดประโยชน์เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเรา